จะแผ่เมตตาให้กับสรปสัตก็อย่าลืมแผนเมตตาให้กับผู้ที่ประสบขคอกรรมในเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยวันนี้ก็ออกครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพวกเราคงจะทราบกันดีว่ามีผู้คนล้มตายหลายพันคนบาดเจ็บอีกมากแล้วก็พัฒทนาคาที่อยู่ก็คงจะเป็นแสนเป็นล้าน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 ถ้าเขารู้นะก็จะมีความขุนเคืองใจมากขึ้นและขณะเดียวกันมันก็ไปทำให้เราเกิดความาศาสใจปิดกัน้นความเมตตากรุณาไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะมีข้อเขียนจำนวนไม่น้อยแพร่ใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตนะว่าที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวกับชาวเนปาลนี่ก็เพราะว่า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 กับพูอืแล้วนี่มันยังมาเป็นผลเสียต่อตัวเราเองด้วยแล้วก็เอาเขา้าอริงจมันก็จะเข้าเนื้อตัวเราไปว่าเขานะเป็นในๆนะว่าเขานะไม่มีศีลนะเขาเหมือนกับว่าศาสนาของเขาดูแย่กว่าศาสนาของเราไหมวัดของเราปลอดภยัยวัดของเขานะพังทลายพระพุธรูของเรายังอยู่ดีนะอันนี้